ต่อไปตั้งใจสมาทานศินก่อนที่จะสมานทานศินหลวงพ่อจะแนะนําหรือว่ากล่าวคุณของศินให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะผู้ที่มาคราวก่อนมาครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาคราวก่อนอยากไม่ได้ยินได้ฟังที่ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ แปลว่าฟังอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นในการฟังศินมีคุณค่าอย่างไ ร, งรศนินของพระพุทธศาสนาสินของพระพุทธเจ้าทาไมพวกเราเข้ามาทําศาสนาพิธีทุกครั้งเราจะมีงานบุญงานบวชงานศพหรืองานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเมื่อไหว้พระ จบแล้วเราก็ได้กล่าวคําสมาทานศีลหรือขอศีลจากพระสงฆ์โดยมากพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระที่เป็นประาธานพอคณะรัตยาติโยมขอศีลท่านก็จับตรัพั์หรือว่าท่านก็ให้ศีลไปเลยโดยมากก็จะไม่ค่อยมอีได้อธิบายให้ลูกหลานได้ฟังแต่หลวงพ่อ มาพิจารณาด้วยว่าวิเคราะห์ดูแล้วลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพอรู้เรียงสาภาวะพ่อแม่กระ่งเข้าเรียนหนังสือยิ่งผู้ที่มีฐานะดีก็ไปเรียนโรงเรียนฝรั่งพอจบประถมมัธยมแล้วก็เข้าเรียนปริญญาตรีจากนั้นก็ส่งไปเมืองนอกจบปริญญาโทเอกก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาชาติไทยประเทศชาติของเรา นับถือพระพุทธศาสนาทั้งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไปใหญ่ในถิ่นอื่นแล้วก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาคุณค่าของศีลและธรรมเป็นอย่างไรในหลวงพ่อมาวิเคราะห์ดูแล้วโดยมากถึงจะมีของดีมีคุณค่าแต่เราไม่ได้นํามาใช้ในชุมชนในสังคมของพวกเราพวกเราก็ ไม่ได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะไม่ได้นำสิ่งที่ดีมีค่ามีประโยชน์มาใช้ในชุมชนของพวกเราเพราะฉนั้นจึงไม่ได้ใช้ศีลธรรมถือว่าศีลธรรมเป็นของล้าสมัยถ้าใครว่าคนนั้นมีศีลคนนี้มีธรรมเท่านั้นละ่ะเป็นการดูถูกเหย็ดหยามในใจไกลๆยกลยถึงจะไม่กล้าพูดออกข้างนอกก็เป็นการพูดแบบเยอะหยาดแปบลบว่าไดโนเสาร์เย็ดศีลธรรมแต่ทุกคนบอกว่าคุณไม่ชอบศีลธรรมใช่ไหม ไม่ชอบศีลธรรมไม่ชอบศีลห้าใช่ไหมแต่คุณค่าของศีลห้านั่นคืออะไรคุณค่าของศีลห้านั้นมีแต่ให้คุณประโยชน์แต่ถ้าว่าคนไม่มีศีลห้านั้นมีแต่ให้ โ, โทษคุณจะเอาอะไรทุก<อ>คนก็ชอบคุณประโยชน์ของศีลห้าแต่ไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบการกระทำไม่ชอบเหตุแต่ชอบผลไม่ชอบเหตุแห่งการกระทำคือศีลห้าแต่ชอบผลของศีลห้า โดยมากจะลักษณะอย่างนั้นผู้นั้นอัตมาภาพจะได้ชี้แจงแนะนําให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับท ร, ราบว่าศีลห้าของพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรก่อนที่จะสมาทานศีลไม่ใช่ว่าคนโบราณเขาถือมาคนยุคนี้สมัยนี้ก็ถือไปแต่ก็ไม่รู้เขาถือมาแล้วก็ถือไปพอเขาทรมาแล้วก็ทําไปพวกเขาพาพูดแล้วก็พูดไป แต่ไม่รู้ว่าคุณค่าของคำพูดหรือวสีนั้นมีประโยชน์อย่างไรอันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวนำวานนโมเพียงตะวันนโมตัดสะปะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพียงแค่นี้พวกเราก็ไม่เข้าใจแล้วนโมแปลว่าอะไรแต่ในคำบาลีและคำแปลนโมนั้นว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันนี้คือนโบกล่าวถึงสครั้งทําไมจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะศีลห้าที่พวกเราจะรักษานี่คือศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวให้แก่พวกเราพุทธบริษัท4คืออุบาสกอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายจะต้องรักษาศีลห้าถ้าเป็นสมณีรักษาศีลสิบถ้าพระสงฆ์ คือรักษาศินสองรอี่สิบอันนี้คือวิเคราะห์ดูแล้วว่าศินท่าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์เราเราจะรับศินเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนพระธรรมจากนั้นก็กล่าวเป็นพุทธังทำมังสังขังสระนังคัดฉามิดุติยมปิตติยมปิพุทธังทำมังสังขังสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง พุทธังคือพระพุทธเจ้าธรรมบังคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์สังคังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่ง จากนั้นเก่าเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีศิกขาปทังสมาติยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคือสินข้อที่ถึงข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเขามาฆ่าพี่น้องวงศาคณญาติพ่อแม่ของเราเรามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเราไปฆ่าเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรคิดดูให้ดีเพราะนั้นเมื่อเขามาทำให้แก่เราเราไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะทำให้แก่คนอื่นเขาเขาก็คงไม่พอใจเหมือนกันเขาคงจะทุกข์ใจเหมือนกันกับเราอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไร ขโมยสิ่งของของเราขโมยเงินคําทรัพย์สมบัติของเราขโมยพ่อแม่สามีภรรยาของเราไปเรียกค่าไถา่เรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปทําให้คนอื่นเขาเขาก็เสียความรู้สึกเขาทุกข์มากเขามาทําให้แก่เราเราก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเราไม่ควรจะทําให้แก่เขาเพราเขามาทําให้แก่เราเราก็ทุกข์กาเมสุมิจสาจาราเวรมณีสินข้อที่สาม สามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสังเวีนห่วงแหนของเขาถ้าเราไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเพราะต่างคนก็ต่างรักวงสาคณนายาตต่างคนก็ต่างมีพี่มีน้องวงสาคณนายาตให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสี่ข้อที่สีมุสาวาาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขาโกหกเขาเอาความเท็จมาพูดว่าเป็นความจริงเอาความจริงไปพูดเป็นคําเท็จต้มตุ๋นสิ่งของปลอมว่าเป็นของดีไปหลอกเขาอย่างเนี้แปลว่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงถ้าเขามาทําให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียความรู้สึกเสียใจยกับการกระทําของเราเพราะฉนั้นอย่าไปทํา ข้อที่๕สุราเมรยมิ亚马ชะประมา ก, การดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราหรือเมรัยคัญชายาวฟินเฮโรอินยาบ้ายามาร้วนแล้วจะเป็นยาเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติคนที่ขาดสตินั้นเราก็เคยเห็นทําความชั่วได้ทุกอย่างคนเมายาบ้าคนเมาเหล้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งคว ร, ไ ม, ร, ควรไม่ควร น, นี็คื อ, คอสิ่ข้อที่5เพราะฉะนั้นคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะขาดสติเหมือนกับคนบ้าถ้ามีศัตระอาวุธอยู่ในมือของเขาก็าน่ากลัวเพราะเหตุไรเพราะเขาขาดสติเพราะฉนั้นคนขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ลาลาบและลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติ วันนั้นพวกเรารู้แล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะนั้นเราจึงเทิดทูนบูชาวศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่านแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าว่ายุคใดสมัยใดก็าตามถ้าขาดศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเลยในยุคนั้นหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ โลกมนุษย์ถึงว่าเจริญขนาดไหนก็เถอะหาความไว้ใจกันไม่ได้แล้วจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาถ้าว่าพวกเราโยนให้คนนั้นโยนให้พระเป็นผู้รักษาศีลถ้าโยมไม่มีศีลก็ไม่เป็นที่ไว้ใจโยมเหมือนกันกลุ่มใดก็ตามถ้าไม่มีศีลแล้วไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจทางนั้น พราะนนศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นเป็นที่น่าวไว้ใจเชื่อถือได้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้คุณค่าของศีลของพระพุทธเจ้าแล้วตอนน่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานนาสมาทานศีลนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาเนปัญจะศิขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโพกสัมปทา สีเลนานิภูติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยสันติธาส ต, ตาปราชากาชาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชาวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวสังเวียนยกถาถ้าจะว่าไปแล้วอย่าไปถือว่าหลวงพ่อแสดงธรรมเพราะหลวงพ่อ ขึ้นทำรร ม, มาศมาเรือมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาแห่งนี้หลวงพ่อเคารพในองค์หลวงตาเพราะที่หลวงพ่อขึ้นมาก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาจากจากตุรทิศทางใกล้ทางไกลทาด้วยความรักเคารพในองค์หลวงตาถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนพี่พี่น้องๆของหลวงพ่อแต่ระรุ่นแต่ระท่านตลอดถึงพี่น้องประชาชนพวกหมู่เหล่า ผู้ที่เขามาศึกษาใหม่กระทืบว่าน้องผู้ที่มา ก, ก่อนกระทือว่าพี่เหมือนกับพระพุทธเจา้าชากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจา้าพระอัญญาโกนทันยะเป็นพี่ชายใหญ่ของพระสงฆ์ทั้งหลายโกนทันยะวะปะพัทธิยะมหานามัจชชิพราปัญจวคีทั้งห้าแปลว่าเป็นพี่ชายของพวกเรา จากนั้นก็มีพระสาวกจนองค์สุดท้ายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต่อกันมาเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันลูกศิษย์องหลวงตาของพวกเราตั้งแต่สมัยท่านอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นเมื่อท่านออกมาแล้วก็มีผู้ติดตามสมัยด้านกันหลวงปู่เพ่งของพวกเราที่ท่านไปภาวนาและไปปฏิบัติ ด, ด้วยกัน ที่ท่านหลวงตาท่านเคยปรารถถึงหลวงปู่เพงขํามกองเพนของเราท่านให้ความเมตตาเหมือนกับลูกศิษย์ของท่านองคหนึ่งหลวง ป, งปู่ลีหลวงปู่คุนมีฤาคูบาอาจารย์หลายๆท่านจนถึงพวกน้องน้องของหลวงพ่อมี 10-20 องค์เกจะว่าเป็นร้อยองค์แต่รุ่นจะเป็นล้วนแล้วจะเป็นลูกขององค์หลวงตาลูกของพ่อทั้งหมด ตอถึงพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องหลวงพ่อเองไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมหรือว่าเป็นผู้บอกกล่าวพระธรรมคาสอนขององค์หลวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่แล้วพระธรรมของหลวงตาอยู่ในเทปใน MP3 ในหนังสือบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งข้อคิดข้อเขียนขององค์ท่านถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้ว พวกเราจะภาคภูมิใจอย่างมากที่พวกเราได้มาเป็ น, นศิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงตาสอนละเอียดทีท้วนหาองค์ไหนที่จะสอนทีท้วนยิ่งกว่าองค์หลวงตาไม่มีทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างในก็คือการแนะนําสั่งสอนทางเรื่องจิตวิญญาณคือเรื่องทางด้านจิตใจคือแนวความเคสหลวงตาจะสอนให้ละเอียดทีท้วนทุกอย่าง โล้การกระทําออกมาทางกายหลวงตาก็สอนอีกควรจะกระทําตนอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมจากนั้นข้าจะสอนวิธีการพูดอีกอาการพูดของหลวงตาถ้าไปพูดกับท่านเนี่ยท่านเนี่ยท่านจะขู่เลยถ้าใครพูดผิดาถามอย่างหนึ่งพูดตอบอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ถูกประเด็นโวยมากจะโดนขู่ลุกสิยธิานุสิทธิ์ท้งหลายเพราะนั้นการ การจะพูดเช่นไรก็ต้องมีสติในการพูดกับท่านแต่หลวงพ่อเนี่ยมันบางทีตั้งใจมากเกินไปเวลาท่านถามคําหนึง่งตอบออกอีกเป็นคําหนึง่งโดยมากโดนขู่อยู่เลยพ่าะอะไรพราะตั้งใจเกินไปอพอตอบผิดมันผิดพออยู่รับหลังท่านเนี่ยเอท่านตอบนี่นะพูดอย่างนั้นพูดนี่คล้ายๆมาพูดไดไ้แต่พอเข้าไปต่อหน้านท่านนั้นปัญญามันวิ่งหนีหมดเลยพราะถามมาอีกอย่างต่อไปนึ่งพอดีท่านขูด่ดีๆนี่แหละ อันนี้ก็คือโดยมากท่าจะสอนสอนพวกเราในแนวความพูดในการพูดเนะ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็มีหมู่พวกเพื่อนบางองค์คณะสัตยาติยมบางคนบอกเอออยากจะให้หลวงพ่อเล่าประวัติขององค์หลวงตาสมัยท่านมาอยู่บ้านตาสมัยหลวงพ่อมาอยู่กับองค์หลวงตาเป็นยังไงการเป็นอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่บางองค์ มายุคนี้สมัยนี้ก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูเป็นยุคที่เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญแต่สมัยนั้นหลวงตาอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบปนๆ ย, ยังไม่มีอะไรสมัยนั้นหลวงพ่อถึงจะพูดไปอยไปคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดประวัติตัวเองอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าหลวงพ่อมาอยู่ก็ต้องบอกหลวงพ่อมาอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นหลวงตาพูดอย่างนั้น ถ้าไม่เอาหลวงพ่อเข้าไปพูดก็ไม่รู้จะเอาเรื่องใครมาพูดเพราะหลวงพ่อมาพูดก็ต้องพูดว่าเออสมัยนั้น เ, ออเรามาอยู่กับหลวงตา เ, ออเป็นอย่างนั้นการเป็นอยู่เป็นอย่างงั้นปัจใจสีเป็นอย่างงั้นัารความกันดานเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ยุคนั้นมีเท่านั้นองค์เท่านิองค์ลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นศรัทธาญาติโยมก็คงจะยังอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลวงตาอยู่ในยุคนั้นออปีสองพอยสิบสอน่ะ ที่หลวงพ่อเข้ามามาอยู่กับองค์หลวงตาพันษาของหลวงพ่อก็4พันษาผ่านจําพันษาที่อื่นมา4ปีคือเป็นสมณีนหลวงปูล่ลาแปปีแล้วก็เป็นพระหนึ่งพันษาเป็น9ปีอยู่กับหลวงปู่ล่าจากนั้นก็อยู่กับหลวงปูจงงป่จามสปีไปอยู่กับหลวงปู่แหวน1ปีหลวงพระ4ปีแล้วเป็นปีพันษาหนะ้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาัดมาเข้ามาที่แรกก็เนะี่ย ออกมาเที่ยวแต่หลวงพ่อเนี่ยมีความคิดอยู่กับหลวงปู่ล่าก็ดีแต่มันอยู่ใกล้บ้านอยู่บ้านตัวเองเวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจิตใจของเรามันประวัติไปวัดไปวัดถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงแม่ถึงวงสาคณาญาตมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเทื่นใจเพราะนั้นภาวานามไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่แนะนาพระบวชเข้ามาแล้วให้อยู่ ใ, ใกล้บ้านไม่แนะนำ เวลาบวชเข้ามาแล้วให้อยู่นี้ไกลาจากบ้านอย่าไปอยู่ใกล้บ้านถ้าอยู่ใกล้บ้านใกล้ๆวัาสัญญาอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันพออยู่ที่ภูเจาะเน่โดยมากแบบน่ะสัญญาอารมณ์เกิดได้ง่ายเพราะนั้นจึงได้หนีออกมาอยู่กับครูบาอาจารย์ห่างไกลแต่ในใจของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าการส่แสวงหาครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่ง ถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ไม่ดีแนะนำไม่ดีไม่ที่เป็นที่ยอมรับของเราแล้วการที่จะเชื่อถือท่านหรือว่าการที่จะฟังคำสอนของท่านคล้ายๆว่ามันสู้รู่เออมันสู้ขู่มันไม่ยอมนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อจะได้ออกมาสสแสวงหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่นู่นตั้งแต่หลวงปู่แว่นหลวงปู่แว่นหลวงปู่ฉิมหลวงปู่ฟัน่น หลวงปู่ซิ่งทองหลวงปู่สมัยแล้วก็หลวงปู่สุพัฒนหลวงปู่ขาวหลวงปู่น้องแซงหลวงปู่อ่อนสมัยนั้นจะเข้ามาที่นี่อยู่กับหลวงตาในปีสองพยสิบสองพอเข้ามาเราหลวงพ่อก็ยังไม่คิดว่าจะอยู่นะยังคิดว่าจะออกจากที่ไปจะไปน้องข่ายไปหาหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์หลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศจะขึ้นไปทางจังหวัดเลยอีกต่างหากครับ คือจะไปดูหาครูบาอาจารย์ซะก่อนถ้าเห็นครูบาอาจารย์เป็นที่ยอมรับในใจเป็นหน้าเชื่อถือในใจแล้วเราจึงจะมอบตัวเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วอันดับแรกเราจะดูไปกลายกลากลายไปซะก่อนแล้วเราประทับใจกับครูบาอาจารย์องค์ไหนเราจึงจะมาขอเป็นสิทธิ์ของท่านในภายหลังก็คืออันนี้คือแนวความคิดเพราะว่าถือว่าครูบาอาจารย์เป็น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญถ้าว่าเราได้ครูบาอาจารย์ไม่ดีก็อาจจะไปทางที่ไม่ดีได้อย่างที่ภาษาริบุตไปได้สนทัยปริพาชกเป็นอาจารย์อย่างนั้นอ่ะท่านก็ต้องอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ของเราท่านจึงได้ไปสอบจึงได้ไปพบไปพบพระอาจ ช, ชินีเะ่พระอาจ ช, ชิจจึงสอนเอออันนี้ใช่แล้วเนะี่ยแล้วถามอีกว่าท่านได้รับธรรมมาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้า เ อ, อ, พอพาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เลยนี่ภาษาไรโบดคื อ, คอต้องไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าครูบาอาจารย์เป็นมิจฉาทิฐิหรือครูบาอาจารย์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในจิตใจเราจะไปสู่มรรคสู่ผลหรือไปภาวนาอย่างนีเออ้เพราะความไม่เชื่อในจิตใจเนี่ยมันลงยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ส่สแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นมาถึงหลวงตาเที่นั้นอะ วันนั้นก็เข้ามากับหลวงปู่ลีนะหลวงปู่ลีกุยสระทโลของเรานี่ยมาจากหนองบัวบานไปอยู่กับหลวงปู่วัดหลวงปู่อ่อนจากนั้นก็หลวงปู่ลีท่านจะเข้ามาที่นี่เลยขอติดรถขั้นเข้ามามาอยู่กับองค์หลวงตาปีสองพันห้าอยอพอมาอยู่ที่แรกเลยโอ้โดนหลวงตาขูนหลวงตาดุจริงๆนะสมัยก่อนนะคณะสัทธายาดโยมลูกหลานนะหลวงพ่อไม่เคยเห็น โอบาอาจารย์ลงไหนดุหนึ่งเหมือนหลวงตานะหลวงพ่อโอ้โหไม่เห็นหลวงตาดุโทษๆน่ากลัวนะแต่ท่านดูมีเหตุผลพอดูเสร็จแล้วเข้าท่าไปหลวงตาเนี่ยป่ะท่านท่านสมัยก่อนเราไปตะเรียกพ่อแม่คูยจานท่านสอนกิจวัตรข้อวัดของพระนี่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทุกอย่างเป็นที่พอใจอันดับแรกนะ หลวงพ่อเราเล่าให้ฟังนึกนึคำคำคือหลวงปู่ลีเนี่ยไอสระสระที่น่วยที่เรามาจากบ้านตัดไออยู่ที่อยู่ขวามือเนี่ยนนหละปีนั้นแหละหลวงพ่อมาท่านเอารถแทกเตอร์ของรพอพชรมาขุดสระลูกนั้นเป็นลูกแรกหลวงตาจะไปนั่นเฝ้าเขาขุดสระอยู่นะกับจานยูนสมัยนั้นครูบบยูนเหมือนกันน่สระลูกนั้นน่ะสร้างปี 2, 5งพ1น่สระลูกนั้นน่ะ หลวงพ่อก็นั่งรถฝุ่นมารถแท็กซี่สมัยก่อนฝรั่งอยู่ในสนามบินอุดอรเนี่ยรถแท็กซี่มันมีสมัยนั้นจ้างแท็กซี่มาแล้วหลวงปู่ลีเป็นคนจ้างเหมืนกันมาก็20บาทจากอุดอรมาที่นี่นะจากนั้นก็เข้ามาเห็นหลวงตาเอาผ้าพกศีรษะนั่งอยู่ในกอไผ่เห็นหลวงปู่ลีเห็นกข ย, ขยุบขยับเหมือนกันเถะพอเห็นหลวงตาล้วจากนั้นเราก็เข้ามาก่อนมากันนั่งลวงครัวนี่แล้วลุงครัว ย, ยังไม่ลื้อนะเนะี่ย วงครัวที่อยู่ข้างๆศาลาเนี่ยพอเสร็จแล้วก็พระก็เห็นว่าวันนั้นทํางานเพราะวันงานเนี่ยเนียนคำพันเนียนจรวดเนี่ยงั้นแต่เป็นคนต้มน้ําตามปกตินะถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานเนี่ยจะไม่ให้ต้มน้าร้อนฉันนะขนาดนั้นเลยสมัยก่อนนะแปลว่าโกโก้เนี่ยมีอยู่น้ําตาลมีอยู่แต่ถ้าหากว่าวันไหนไม่ได้ทํางานท่านจะไม่ให้ฉันน้ําร้อนละวันนะ ขนาดนั้นอะงตานะพระในวัดเนี่ยสมัยนะั้นสิบหกอมีท่านปัญญาพระฝรัง่งกับมีท่านปัญญาท่านโชรี่แล้วก็มีพระฝรัง่งท่านสามสี่ห้าหกองหก อ, องค์ประมาณหกและเจ็ดองเนี่ยพระฝรัง่งพระไทยก็รวมแล้วก็รวมแล้วก็สิบหกอสมัยนั้นที่มาอยู่ใหม่ๆนะเนี่ย แต่นั่นลงตาท่นาน็มาฉันฉันท่ามที่ลงน้ําร้อนนะ่ะพอมาปับ๊บไอ้พวกเนนเขาก็จัดโต๊ะมา้าม้า ก, ก๊อฟนัง่งตัวเล็กๆนะ่ะท่านมาให้ท่านนั่งไอ้พวกผ้าก็หลบไปอยู่ทางหลังลงขั้วมดแต่ลูกพ่อเนี่ยเคยเป็นเนรมาก่อนเนะน๊ะทำไมคูบาลทาไมกลัวกลัวลงตาวะวนะเนี่ยไอ้คนนกน้อยไม่รู้จักเกี่ยวงั้นเถอะเออทําไมพวกนียกลัวคูบาลจานไปหลบอยู่ทางหลัง เราก็มานั่งเซ่อยอยู่ทางหน้านเราไงเถอะเออนั่งเธอละเออยังไงเถ อ, เ อ, อท่านก็คงจะมองนีออ่พระองค์นี้มันมาจากไหนเฮ้มันทําไมไม่กวดจากนั้นหลวงปู่เรท่านชันเฉยๆกัก็ะพายย่ามเล็กๆนะกระพ่าอาบน้ำเลยแต่ท่านก็นเน็บเข้านักแลน้นก็เดินเข้าไปทางสายนี่น่นทางสายนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะแบบนี้แนะ่ะทางสายนั้นแต่เข้าไปกุฏิคลองลงตาเนี่ย แต่สมายนั้นมันมีต้นลำไยเนี่ยที่ข้างกุฏิของท่านมีอยู่ห้าหกต้นท่านประหยัดขนาดไหนลงตานะท่านจะมีม้าตัวเล็กๆประมาณเม็ดคูณเม็ดสำหรับยกได้แล้วก็เอาไปตั้งเอาไปตั้งโคนต้นลำไยวันนี้วันอาบอาบน้ําใส่ต้นนี้สองสามวันแล้วไปย้ายไปใส่ต้นนั้นเหมือนกันเออลงตาเนี่ยให้หาเมื่อย้ายไปอยู่ต้นนั้น แล้วเอากระป๋องไปวางไว้เอาน้ําใส่จากนั้นท่านก็ส่งน้ําเองพอส่งน้ําเสร็จ แ, แล้วก็ได้วันสองวันก็ไปย้ายใส่ต้นนั้นเ อ, อ่อันนี้แหละคือโลงตาท่านทําอะไรท่านมีประโยชน์ทั้งหมดเลยเออลงตาเนี่ยนะจากนั้นก็หลวงปู่ลีก็ท่านก็บอกว่าอินอินอิ น, อนปะไปส่งน้ำเพราแม่กูยจัดเราก็ซื่อใช่ไหมละ่ะคําว่าส่งน้ํำเลยสมัยพระกรรมฐาน หลวงพ่อเนี่ยเคยส่งน้ําหลวงปูร่าหลวงปูขาวหลวงปูฟัน่นเวลาตอนบ่ายๆเนี่ยปัดปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว4ี่หโมงเย็นเนี่ยท่านก็จะส่งน้ําพอส่งน้ําของอหนึงก็ได้ผ้าอาบน้ําองคหนึ่งก็ได้สบู่บางที่กระดุถูหลังให้ทันบังเช็ดเท้าให้ทันบงางลักษณะอย่างนั้ น, นคือส่งน้ําพอแม่ครูบาอาจารย์พอส่งน้ําเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งพอไปนั่งเสร็จแล้วก็ถวายน้ําต้ม เปลือกไม้บงังกิ่งไม้บงังนี่แหละเป็นยาเท่าที่มีที่จะหาน้ำตงน้ำตาในยาาหยาบถวายน้ำอุ่นน้ำร้อนธรรมดาให้ท่านฉันท่านฉันแก้วหนึ่งจากนั้นท่านก็แบ่งให้พวกเราคนละแก้วเพ อ, อฉันเสร็จแล้วท่านก็เทศให้ฟังอบรมให้ฟังวันนี้เป็นอย่างานั้นวันนี้เป็นอย่างไรภาวนาอย่างไรปฏิบัติอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนอย่างนั้นอย่างลงปูขาวก็เหมือนกัน หลวงปู่ฝันก็มั่กนการหลวงปู่อ่อนก็มือนกันหลวงปู่น้องแสงก็มั่นกันแต่ท่านนี้มาถึงหลวงตาถีงหลวงตาในท่านสงน้ําองค์เดียวท่านไม่ให้ใครไปยุ่งเว้นเสียแต่บางครั้งท่านจะให้ใครไปสงเป็นบางครั้งนั้นนท่านจะให้สงน้ําให้บางทีเออถูหลังให้หน่อยวันนี้เราก็เข้าไปอาบน้ําสงน้ําให้ท่านอันนี้คือเป็นประเ พ, เพณ๋ีของพระกรรมฐานเนี่ว่าเป็นอุปถาตพระเถระ อุปถากดูแลพระเถระล้างเท้าบ้างล้างกระโถนบ้างดูแลผ้ากีวรของท่านซักผ้าของท่านอันนี้ก็คือพระอุปถากครูบาอาจารย์ท่านี้หลวงพ่อเคยเป็นเนนมาก่อนเนรหลวงปูล่ลามาก่อนหลวงพ่อเคยปฏิบัติแบบว่าเป็นปกติเคยมาแล้วชํานาญเหมือนกันท่านท่นี้ก็เห็นเห็นหลวงตากําลังท่านจะส่งน้ําตามลําพังท่าน หลวงปู่เลนะป่ะอินไปส่งน้ําพ่อแม่กุญจารครับแต่นี้หลวงปู่เลีเข้าไปก็ไปคล้ายๆเข้าว่าหลวงปู่เลี้ไปคล้ายๆว่าถอยนนถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังเราเดินหน้าถอยหลังเหมือนกันเถอะเอ่ย่ย่ย่องย่องเหมือนกับไปย่องไปเยิงไก่ป่าลักษณะอย่า ง, งนงั้นเหมือนกันเถอะเราก็เดินชมชมเข้าไปเลยแล้ ว, วเหมือนเดินนําหน้าหลวงปู่เลีไปเลยเหมือนกันเถอหลวงปู่เลเนี่ยคล้ายๆว่า ถ้าท่านไม่ว่าอะไรก็เข้าไปสงวนั้นถ้าท่านดูแล้วก็ก็ไม่เอาคนระับพอเดินเข้าไปแต่นี่เราก็เดินสมเข้าไปก่อนพอท่านจะหลงตาท่านเหลือเ็นเท่านั้นแหละพอเหลือเพนมาทำไมพอมาทาไมเท่านั้นเราก็งงเีนะ่เห็นแต่หลงปุรีมองไปเหลือเเห็นแต่หลังแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเห็นแต่หลังหลงปุรีอยู่งั้นแนหะออเราก็งง ถอยหน้าถอยหลังแล้วก็เปิดเนี่ยตําหลวงปู่ลีนะเอา้าคุณอาจารย์ทำไมไม่สงน้ําท่านแล้วไปฝันไม่ให้สงุ่นวันนี้อไม่ให้สงุ่นไม่ให้สงหุ่นบอกแล้วไม่ให้สงุ่ะเราก็ไม่สงุ่งแล้วถ้าท่านจะให้สง่นท่านจะบอกเลยครับผมจากนั้นว่าเราก็โอ้เหรียญวิชาได้วิชาหนึ่งแล้วนี่วะนั่นแหละอันนั้นนคือมามาวันแรกเหมือนกันนะโดนดุแล้วงั้ืนกันแต่พอต่อมาเองเอามา สมัยก่อนประชุมบ่อยนะสมวันประชุมครั้งหนึ่งท่านอบรมพระอบรมแต่ละครั้งหนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงแต่ท่านไม่ให้อัดเทปนะโดยมากไปให้อัดเทปเพอาะเหตุไรเพราะสมัยนะั้นเครื่องบินไอพน่นอยู่ที่เมืองอุดอรกําลังดังวูบว่าวูบว่ า, ววาอยู่ตลอดปี25งพันห้ยเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีเรื่องมีเครื่องบินเข้ามาและอีกอย่างหนึ่งท่านว่าหัวใจของท่านขาดเลือดแนละองตา หัวใจของท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยท่านก็เลยไม่ให้อัดแต่มีแต่ท่านเทศเทศโอ้เทศพระน่ยน้อยรู้สึกว่าท่านเทศ ธ, ธรรมะลึกซึ้งมากนะน่าเสียดายให้พวกเราสังเกตดูว่าตั้งแต่ปี09จนถึง2518เทปช่วงนั้นจะไม่มีมีน้อยมากตตั้งแต่ปี2518ไปแล้วน่จะมีเทปองหลวงตานี่บ่อยมาก ท่านอัดเทปองหลวงตามากในยุคสมัยนั้นเริ่มอัดเทปพพอ2535ไปแล้วเนี่ยท่านก็จะหยุดเทศมีน้อยมากจากนี้ท่านจะเล่งทางโยมเสียท่านในเทศในสถานที่ต่างๆจะเป็นเรื่องของโยมซะมากกว่าจะเป็นตอนเช้าเทศให้โยมฟังมากกว่าและท่นนี้ต่อมาโครงการช่วยชาตินี่อันนี้ท่านจะออกไปเทศทางนอกมากที่สุดเลยอันนี้คือธรรมเทศนาขององค์หลวงตา ให้พวกเราสังเกตดูนะแต่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้อดคิดลําลึกถึงพระคุณของพระฝรั่งคือท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านปัญญาวุฒโธที่พี่พวกเราได้ฟังพะระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวันนีนะ้ที่กันเด็ดๆที่ท่านอบรมแนะนําสอนพระนะเป็นฝีมือของท่านปัญญาทาั้งหมดคือท่านปัญญาเป็นผู้อัดเพราะอัดเสร็จแล้วท่านปัญญาพิถีพิถันนะ พออัดเสร็จแล้วเนะี่ยท่านจะมาคัดพอคัดเสร็จแล้วเนะี่ย่้าใครจะเอาเนี่ยแต่แม่แบบนะท่านจะไม่ให้ใครท่านจะเก็บไว้เลยจากานั้นท่านจะอัดให้แกผู้ผู้ที่มาขอหรือว่าอัดไว้จำลองไว้อันหนึ่งให้ยืมกันฟังแต่แม่แบบเนะี่ยท่านจะไม่ให้ใครท่านจะเก็บไว้อย่างดีเลยนี่แหละนี่ว่าพวกเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาเนะี่ยเพราะผลงานของท่านปัญญาแท้แท ถ้าไม่มีท่านปัญญานะพวกเราไม่ได้ฟังหรอกเทปรุ่นเก่าๆนะแต่ท่านปัญญาเนี่ยก่อนที่จะได้เทปเนี่ยท่านเชอรี่นะท่านเชอรี่สั่งจากเยอรมันนะไอสมัยนะั้นเทปมันขึ้นมารุ่นใหม่แบบม้วนกลมๆใหญ่ขนาดนี้แบบกลมๆม้วนกลมนะไม่ใช่นั้นะมันเป็นเส้นพันเหมือนกับเหมือนกับเทปเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับสายวัดของเนี่ยนะมันแบน็นเท่าหัวไม่โป่งเนี่ยใหญ่ แหมไขผ่าวัดุนกลางประมาณ 5-6 นิ้วเลวนะ เ, เทปกลนเด็กเนะี่ยใส่ฐานเข้าไปถึง12ก้อนใส่ทีเดียวเพราะในวัดป่าบ้านตาดไม่มีไฟสหมัยวนั้นนะ่ะเวลามากก็มาอัดมาอัดแล้วก็มาใส่เข้าไปในแผ่นเทปนที่ท่านพระอาจารย์เชอรี่เป็นผู้สั่งมาจากเยอรมันแ เ, เทปแผ่นนั้นนะ่ะจากนั้นก็มาถ่ายทอดใจค่าเสร็จ เ, เทป ญ, ญี่ปุ่นนี่แหละ อันนี้ก็คือผลงานของท่านปัญญาแล้วก็ท่านพระอาจารย์เชอรี่เป็นผู้สั่งเทพเข้ามาใด้ใช้นี่แหละอันนี้ก็คือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแล้วการเป็นอยู่ของหลวงตาทีนีเ่เวลาตอนเช้าเนี่ยท่านจะออกมาประมาณสักหกโมงพอสว่างเนี่ยพวกเราก็ขึ้นไปปติ แทบลงตาขึ้นมาประมาณสักตีห้าครึ่งพวกเราขึ้นไปล่ะขึ้นมาใช้กรลามะพร้าวนะถูถูข้างนอกกุนตีลงตานะดยมากไป3มองค์องค์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ล้างกระโทนองค์ที่สองแต่ขึ้นไปถูด้วยกันซะก่อนไปถูข้างนอกด้วยกันซะก่อนใช้กะลามะพร้าวพอถูเสร็จแล้วก็พอลงตาเปิดประตูปัพบองค์หนึ่งก็เข้าไปเอากระโทนองค์หนึ่งก็เข้าไปเอาบาตรกับพ้ายเยาวรังคาติออกพากลมาซ้อนที่ศาลา องที่เอาไปผ้าชังกาติกีบอลองคนั้นก็พยายามดูที่นอนของท่านนั้นเพื่อความเรียบร้อยผ้าโฮมผ้าปูนอนผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ปัดกวาดข้างในเสร็จแล้วก็ล็อกกุญแจเรียบร้อยยังค่อยกลับมาแต่องค์นั้นก็ล้างกระโถนทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาก่อนแต่องค์หนึ่งเอาบาดออกมาพอมาเสร็จแล้วก็นั่นแหละไอ้พวกพระที่ไม่ได้ทํากิจวัตรทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทย ก็มาถูศาลาหลังนี้แล้วงั้นะเอ่อใช้กะลามะพร้าวถูกันเออสองมือเลยออกําลังกายแต่เช้าเลยงั้นเถอะเออพอมาจะ ต, ตีห้านมาถูศาลาทั้งชั้นบนทั้งทั้งชั้นล่างแต่ชั้นบนสิแต่ชั้นบนที่ชั้นอาหารที่วางโกรธขององค์หลวงตาเนี่ยอันนั้นพอตกตอนเย็นแต่ละวันหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีแล้วก็บท่านท่านปัญญาฤๅษี 3าสี่องค์เนี่ยท่านจะมาถูศาราชั้นบนเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยจะวางอาสนะเลยจะไม่ได้ถูจะถูกลางตอนวันนี้แหละตอนเช้ามากับปัดกวาดกับวางอาสนะออพอจะนั้นมาตอนเช้าก็ต่างองค์ก็ต่างถู ก, กันนะแต่คราวนั้นพระอดอาหารบ่อยนะอดอาหารกันบ่อยมากบางทีก็อด7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาในการอดอาหารของวัดป่าบ้านตาดแต่พอหลวงตาท่านบอกว่า ต้องอดนอนผ่อนอาหารนะทดลองดูท่านก็ไม่ได้บังคับนะการอดอาหารสุดแท้แต่อาจจะถูกเจริตอาจไม่ถูกจริตก็ได้ท่านว่าให้ทดลองดูแต่โดยมากก็พออดอาหารเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเย็นร่างกายเบาสบายไม่ง่วงถ้าฉันอาหารเข้าไปแล้วมันง่วงนั่งภาวนามันหลับนี่แหละเพราะนั้นหลวงตาจึงแนะนาให้อดอาหาร ในวัดของท่านเนี่ยแหละทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยเนะี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยชั้นอาหารพร้อมกันอันนี้ก็คือกิ จ, จวัตรประจําวันของพระวัดป่าบ้านตาดในยุคสมัยนั้นพอถึงบ่ายสามโมงลงปัดกวาดพร้อมกันพอปัดกวาดเสร็จแล้วเนี่ยพระภูเท่าอย่างหลวงปู่ลีหลวงปู่คุณเมที่เป็นพระที่มีอายุพรรษาก็ขึ้นมาถูสาลาแต่พระน้อยก็อนอกจากนั้น นูน่นลงไปสูบน้ําส่งตามกุฎิใส่รถเข็นใส่ปิ๊บเลยก็ส่งตามกุฎต่างๆส่งใส่ห้องน้ําวันหนึ่งกับวันละสามสี่คันรถประมาณละสมรถสี่รถส่งตามกุฎต่างๆจากนั้นก็นมาส่งน้ําพอส่งน้ําก็ไม่ได้ฉัน น, น้ำร้อนเหมือนกันวันไหนที่มีงานทํามีทํางานเนี่ยจะค่อยฉันได้ฉันน้ําชากาแฟแต่วันไหนไม่ได้ทํางานขั้นไม่ให้ฉัน ขออาบน้ําเศษตะกต่งองค์ต่างเข้าทางเดินยังกรมของใครของเราเนี่ลงตาในท่านเข้มงวดขวดขันกับพระของท่านมากเลยแต่นี้เวลาลงตาเนี่ยเดินลาดตะเวนกลางคืนเี่นะเนี่ยแต่พอกลางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้น่ะพอตอนบ่ายๆท่านจะเดินล่ะเดินไปดูกุฏิลังนั้นอ่านอยู่กุฏิลังนี้เออท่านเดินถ้าไม่ได้เดินที่อื่นน่ยท่านเดินแล้วไปมอง มองทางจงกลมของพระเหมือนกันครับไปเดินเดินผ่านไปเอท่านพูดว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราจะดูพระเนี่ยเราไปดูที่อื่นนะเราดูทางจงกลมถ้าว่าทางเดินจงกลมเป็นมันแสดงว่าองค์นี้ตั้งใจตั้งใจภาวนาเอสู้เหมือนกันแต่องค์นี้สู้ถ้าไปเห็นทางจงกลมเศร้าๆมองๆล่ะองค์นั้นไม่ได้เรื่องใช่ไอมหลงตาท่านไม่ได้ดูที่อื่นน่ะ ดูทางจงกลมฮะเออจากนั้นท่านก็เดินทางเดินจมกลมกับไปกลางคืนมานี่ยตอนหัวค่าเลยเออประมาณชักทุ่มสองทุ่มนท่านก็จะเดินลาดตะเวนเอ่อกุฏิของท่านเดินเดินเดินแต่เวลาเดินเนี่ยเราเนี่ยสังเกตเนเออพวกพระเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้แสงสายไฟใข่สายไฟพระสายไฟหลงตาเนี่ยรู้ว่างั้นเอะรวงตาเนี่ยเวลาเดินไปถ้าจะบีบสายไฟแม่ คือท่านจะไม่บีบตลอดไปเหมนกันเน่ะพอแมแ่ก็เดินเดินเออ <c oughs> เดินก็ไม่ได้ยินเสียงอีกต่างหากเามั้นกันเออ <c oughs> จากนั้นก็พอพอ้นเออพอคิดว่าไม่มีงูไม่มีตะขาบแล้วทวงนี้ถ้าท่านก็แมบบีบอีกก้อนหน่อยแล้วก็เดินเดินเดินไปแล้วก็แมบอีกอีกหน่อ <c oughs> อันนี้เรารู้อลไรพวกเราดวงตามาแล้วเหมือนกัเออเ <c> อ <oughs> <c oughs> ั่นแหละ แต่พวกเราก็เดินยังกลมนะกลางคืนมาจุดไฟเดินยังกลมแต่รุ่นก่อนนะรุ่นก่อนหลวงพ่อมาเนหะลวงปู่บุญมีท่านเล่าให้ฟังา่าโอ้หลวงตาไล่พระออกจากวัดมั้นเป็นยังไงล่ะคุณจานวะโอ้ท่านพระมาจากมูลออกมาจากทางเมืองขอนแก่นมั้นพอมาเสร็จแล้วตอนหลวงตาก็าไปไปเดินไปผ่านกุฏิตั้งแต่หัวค่ําตั้งแต่ทุ่มหนึ่งได้ยินเสียงโกนก็ กาเอ้าพระองค์นี่มันท um> uh> ําไมทําไมมันนอนตะวันน um> ักจากนั้นท่านก็ดึกๆเดมาอีกสามสี่ทุ่มนีคงจะไม่สบายมั้งสามสี่ห้าทุ่มท่านก็เดินไปอีกก็ยังเดินนอนอย่็งเกาะอกอย่างเก่าพอถึงตีสามตีสีท่านไปอีกขนาดนั้นเลยลงตาน่ยนะท่านเอาสอนลูกศิษย์นะดังน้พอท่านคืนที่หนึ่งท่านก็ไม่บ้าแล้วองพระองค์นี่คงจะเดินทางมาเหนื่อย มันคงจะนอนหลับนะพอคืนที่สองไปอีกแจังนอนอีกอย่างเก่าพอถึงคืนที่สามไปโดยอีกนอนอีกอย่างเก่าพอตอนเช้ามาท่านก็ถามนะั่นเออเป็นไงท่านไม่สบายเหรอเมืาถามไนดะ้องนั้นก็ตอบซื่อใช่ไหมสบายดีอยู่ครับผมนะเอออ่าทำไมท่านอจึงท่านไม่ภาวนาหรือธรรมาที่นี่ มากินมานอนอย่างนั้นเหรอมาเป็นหมูไม่ได้นะแตวัดนี่ถ้ามาเป็นหมูมันไม่ได้นะเราไปดูท่านทั้งสามคืนนั่นนะมันมาไม่ต่นอนกับนอนไปหนีซะนะพูดนะลงตาไล่หนีเลยพวกนเพราะมาแล้วไม่ภาวนานี่แต่มานอนเยมันหนักวัดท่านไปแล้วนะหนีนะเผ่านั้ น, ะนก็เลยได้หนีจริงๆวะหลวงปู่มันมีอันนี้หลวงพ่อมาทีหลังหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกกลัวอีกเหมือนกันวนะ่ากันแต่ เออว่านอนกลางวันไม่ไรตามปกติท่านใช้ให้นอนประมาณสี่ทุ่มนะถ้าสี่ทุ่มนะี่คือเป็นบทของวัดป่าบ้านตาดเออแล้วมากกว่านั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าไม่มีอะไรสนะี่ทุ่มท่านจึงให้พักผ่อนนอนและตีสามได้เหนนะเตรียมตัวลุกได้แล้วออนอนสี่ห้าชั่วโมงนะี่พอทั้งนั้นจะไปนอนอะไรมากมายนักหนาแต่ตีสามแล้เริ่มลุกได้แล้วอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาขององค์หลวงตา แล้ว ก, การฉันก็เหมือนกันแล้การบินธบาติพอได้เวลาบินธบัติเป็นบินธบาติสองสายนะบัตรป๋า บ, บันตาบินสายตะวันตกและบินสายทะวันออกโดยมากสายทะวันออกหลวงตาจะเป็นผู้พาหนาเราจะมีท่านเชอรี่ก็มีพระฝรั่งไปสายทะวันออกโดยมากหลวงพ่อหลวงปู่บุญมีไปสายทะ ว, วันตกแต่มีท่านปัญญาองค์เดียวบินธบาติกับโยมันดากับคุณแม่ชีนกับคุณแม่น้อม ที่เป็นเมช่ชีอยู่สองคนเมชีแก่1ข้าวแล้วก็ใส่บาตรท่านปัญญาอยู่ในครัวเพราะท่านปัญญาขาไม่ค่อยดีท่าน เ, เป็นวรณโรค ก, กระโดกทําให้ท่านเดินไม่สะดวกหลวงตาก็ให้ปิณรบาดในครัวแต่สําหรับพระน้อยหนุ่มทั้งหลายเดินบินระบาดแต่เวลาเดินปินรบาตเนี่ยลงจากศาลาเนี่ยคลองผ้าเสร็จแล้วเดินท่านจะให้เดินเดินก็ไม่ช้าและไม่เร็วแต่ท่านบอกว่า เดินบิณฑบาตอย่าให้ห่างกันมากเกินไปนะ เ, เพราะว่าเวลาเดินไปบิณฑบาตถ้มันห่างกันเกินไปชาวบ้านเขาเห็นพระเ้าก็นั่งปนมมือพอนั่งปนมมือแล้วก็นูน่น เ, เวลาเขาจะลุกอกระพ อ, อยางไงอยู่องค์หนึ่งก็จะไปเขาก็เลยนั่งเสียเวลาเขาเพราะนั้นเวลาไปอย่าให้ห่างกันจนเกินไปไปแต่จะไปคุยกันนะ ถ้าคุยกันนะไม่ใช่ไปขอทานต้องภาวนาให้มีสติเวลาบินธบาทให้ภาวนาไปด้วยขาขวาพุทธขาซ้ายโทรพุทโทเหมือนกับเดินจงกรมอย่าไปคุยกันอันนี้ก็คือหลวงตาท่านบอกพระถ้าองค์ไหนเดินเดินไปสู่ปุรีไม่ได้ถ้าเห็นหลวงตาเห็นจะไล่นี้ออกจากวัดทันทีเลยถ้าองค์ไหนสู่ปุรีเวลาไปบินธบาทห้ามเด็ดขาดไม่ให้สู่ปุรี แต่องค์ของท่านนะถึงท่านจะฉันหมากกว่าเธอนะเวลาบินทบาทท่านจะไม่ฉันหมากลงตาที่อยู่กับท่านท่านจะไม่ฉันหมากขนาดที่เดินไปบินทบาทท่านจะล่างปล่าเสร็แล้วท่านก็ไปเปิดที่บินทบาทกลับมาฉันจังหันอะไรมีอะไรท่านจึงเคี้ยวหมากต่อพายหลักในขณะที่ไปบินทบาทในท่านจะไม่เคี้ยวหมากเดินไปบินทบาทนี่ลงตาและกับบาทของท่านนี่นะลงตาเนี่ยจะไม่ให้ทุกสิทธิต่อพายบาท ท่านถือบาทเองเลยเวลาใครจะมาเอาบาทท่านท่านจะไม่ให้ท่านดุท่านเองไอ้ไม่บาทเปล่าเอาไปไมเราพายเองก็ได้อย่ามายุ่งพวกพาเนี่ถอยหลังกูดกาดมา่ะเวลาจะไปแต่ท่านยังเอาบาทขึ้นบาดเห็นไหมอายุของท่านแก่แกอท่านวินธบาทบาทของท่านยังอยู่ในบาดของท่านคือบาทเปล่านะยังอยู่ในบาดของท่านเนี่ยเราเห็นที่ท่านบินทบาทเนี่ยแหละหลวงตาในท่านช่วยตนเองมากๆ ในิสัยของท่านมักน้อยสันโดตรงตาเนี่นะไม่ลืมตัวอท่านอยู่แบบสมร t h มากเลยมข้าว่าสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นท่านจะไม่ใช้คนอื่นทําท่านจะช่วยตนเองก่อนนี่แหละอันนี้คือท่านตะพายบาทไม่เหมือนลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุกวันนี่อพอในลูกศิษย์นู่นเอาบาทไปคอยที่อื่นถือบาทอาจารย์ไปก่อนแต่ลงตาไม่แหละลงตาไม่ให้ลูกศิษย์ถือบาท นี่หลวงพ่อกล้าพูดอย่างนี้พ่อลูกศิษย์ลูกหาหลวงตานี่ยมีนั่งอยู่ที่นี่หลายองค์อย่างอาจารย์นพดลอย่างนี้ท่านเฉลิมอย่างนี้มีหลายองค์อยู่ที่นี่ท่านจํารักอย่างน อ, อ้ที่รุ่นเก่าหลวงพ่อพูดหลวงพ่อกล้าพูดเพราะเหตุอะไรเพราะหลวงตาทําอย่างนั้นจริงๆแนวทางปฏิวัติขององค์หลวงตานี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงตาเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษช่วยตนเอง ไม่ทําให้คนอื่นหนักใจกับองค์ของท่านเพราะฉะนั้นถึงท่านอายุถึงเก้าสิบแปดปีก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่บางคนก็บอกทําทไมพระทั้งหลายมันทําไมไม่เข้าไปปฏิบัติองค์หลวงตาเหมือนกับท่านปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นะหลวงพ่อบอกว่างเอ้ยฟังแต่ชื่อเลยสิอันหนึ่งหลวงปู่มั่นอันนี้หลวงตามหาบุญชื่อก็ต่างกันอยู่แล้วเนี่ยเอยอไอคนที่พูดพูดมันพูดได้ อแต่จะเข้ามาเลยสิเามาดูอยู่ใกล้ๆท่านชี้แล้วจะเห็นฤทธิ์เองแต่เราเนี่ยโอ้เราเห็นฤทธิ์หลวงตาแล้วท่าท่านเดียวเท่านั้นอรู้สึกหัวใจมันหลนตุกตกลอหัวใจเต้นไม่เป็นที่เหล่างั้นเพราะนั้นเราใครจะไม่อยากจะทำใครไม่ใช่ไม่อยากจะปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับหลวงตาเนี่ยใครๆก็ะยับปฏิบัติทัางนั้นแหละอแต่พอเข้าไปใกล้มันไม่ได้ ท่านไม่สับปลายะอย่ามายุ่งกับเราน่ะเรารู้จักประมาณเองจะให้ทําหรือไม่ให้ทําเดี๋ยวนี้ยังยังไม่ให้ทําอย่ามายุ่งเอเรารู้อย่ามาใกล้นะอย่ามายุ่งกับเรานะ <c oughs> ท่านพูดคําเดียวเท่า น, นั้นแหละใครจะไปกลายุ่งกับท่านท่นี่เอีนี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะจตหาญาติยมทุกหมู่ทุกเหล่านี่ที่เห็นพระเมื่อท่านป่วยท่านไม่สบายเอพระทําไมไม่เข้าไป คนที่บาไม่ดูแลท่านโอ้ยหลวงพ่อขอหลายครั้งบางที่หลวงพ่อเขาไปขอท่านขออกาศพ่อแม่กุญจานพ่อแม่กุญจารย์อายุมากแล้วก็พวกกับผมขอปฏิบัติขอนั้นด้วยเทินให้พระมีพระเวรมาเฝ้าด้วยเทิรนกับผมอย่ามายุ่งนะเรารู้ว่าให้ทำไม่ให้ทำํำยังไงเรายังเป็นไปได้อยู่มายุ่งนะว่า คล้ายๆว่าไม่สบายไม่สบายท่านแต่นี่หลวงพ่อพูดและตามลําพั ง, งเองไงเออวันหนึ่งหลวงพ่อกันเนี่ยเอาหลวงพ่อบุญมีนะมาด้วยจ้ะนี้มาหลวงพ่อกันกาเปลี่ยนท่านเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อกาเปลี่ยนเน่ะท่านก็บอกว่ายานะอย่ามายุ่งนะเออพอเสร็จออกมาหลวงพ่อบอกว่าได้ยินไหมเออได้ยินไหมที่หลวงพ่อกาเปลี่ยนเนี่ยเออ ใครๆก็อยากปฏิบัติองค์หลวงตาทางนั้นล่ะลูกเสียดลูกหาอยู่ในวัดป่าบ้านตาเนแต่ท่านไม่ปล่อยไม่วางไอใครก็ว่าท่านไม่ให้ใครมายุ่งในตัวของท่านท่านอยู่อยู่แบบอิสระของท่านเป็นอยู่ของท่านแบบไม่ให้ใครหนักใจไม่ให้ใครหนักใจกับท่านท่านพอที่จะช่วยตัวเองได้อยู่ช่วยแต่สิ่งไหนที่มันท่านเกินไปท่านก็ให้ให้ทําในจุดนั้นนี่เพราะนั้นหลวงตาของพวกเราเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่หลวงตาธรรมดาเท่านั้นแหะเออห ล, ลวงหลวงตาเด็ดเดี่ยวจริงๆเอออาถรรพ์จริงๆไม่ย่อท้อต่อท่าต่อขันเลยว่างั้นเถอะเออถึงเนี้ขนาดหัวแม่เท้าของท่านเนี่ยเจ็บขนาดนัหนถ้าพวกเราเนี่ยเออจะร้องโอดร้องโวยขนาดไหนท่านนี่เฉยมองเลยโอ้โหเราเห็นแล้วเออแต่มันจะเจ็บขนาดไหนท่านนี่เฉย เออจนเขาเอาครีมไปใส่ท่านกระดิกกระดิกส้นหน่อยเทงกว่ากันะเออพอๆๆๆเน่นแหละสรุปแล้วความอดทนขององหลวงตาเนี่ยโอ้โหสมกับที่ท่านว่าท่านนั่งภาวนาจิตของท่านเสื่อมเออจากนั้นท่านภาวนาท่านอาทิตต์ตั้งจิตอธิษฐานเนว่าเราจะนั่งภาวนาตลอดคืนยังลุกถ้าหากว่าไม่สว่างเราจะไม่ลุกเด็ดขาดเออเราจะนั่งภาวนา ถึงวันจะเยี่ยวทะลักก็ดีอุดจร้ามันจะออกก็ดีเยี่ยวมันจะออกก็ดีจะให้มันออกเลยเออให้มันออกเลยเออแต่สมัยเราเป็นเด็กเราขี้แต่เกี่ยวลาดพ่อแม่เราอยังล้างให้ได้แต่บัด น, นี้เราใหญ่มาแล้วเนี่ยเมืจะขี้จะออกเกี่ยวจะออกเราก็เอาไปล้างได้เองเออจะไปกลัวมันทําไมถ้าว่าอ้ถ้าปวดเยี่ยวแล้วจะลุกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปวดเยี่ยวบย่อยๆท่านว่าน่ะเออมันจะหาทางออกกิเลเทำไม เพราะนั้นเราจะไม่ให้มันออกเยเเราจะนั่งภาวนาเอตลอดถําไม่สว่างเราจะไม่ลุกจากอาสนะเด็ดขาดทันว่าโอ้โหใหม่ๆเนี่ยมันมันสั่นสะเทือนไปหมดคล้ายๆว่ามันคล้ายๆว่าเนื้อหนังเนี่ยมันมันมันสะท้านหวั่นไหวไปหมดมันสั่นไปหมดเลยเท่าไหร่พอจิตสงบปุ๊บลงไปกายกับใจเนี่มันเป็นคนละสวนกันเลยทําไหร่มันเงียบหายไปเลยเท่านี้ มันมีแต่สติมันไม่ออกไปสู่กายเลยจากนั้นท่านนั่งจนถึงสว่างเป็นครั้งแรกพอสว่างขึ้นมาท่านก็โอ้สว่างนั้นเออคล้ า, ายๆกับว่าใจกับกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวมันแยกกันเวทนากับใจถ้าใจของเราไม่ไปให้ความสําคัญกับกายถึงมันจะปวดมันก็ไม่รู้สึกพอใจพอจิตถอนออกจากสมาธิคราวนั้นท่านว่าสว่างพอดี พอสว่างเสร็จแล้วโอ้มันสว่างเลยเนี่ยทาไมท่านก็นลุกเลยแล้วกัานนะ่ะพอลุกเน่ขามันตายหมดแล้วทำไมกันนะ่ะหงายตึงเลยค่ะคล้ายๆว่าขามันไม่ไปตามบรญชาย่อที่ใจอยากจะไปล้มตึงเลยทำไมกันเพราะมันขามันตายแล้วมันเป็นเน็บไปหมดนะ่เอจากท่านมาที่ได้จับขาออกไปเลยจะมาเหยียดขาเลยมานวดนวดนวดเอพอเลือดลมมันเว่งแล้วยังค่อยขยับขยับขยับดูแล้วเนี่ค่อย ลุกขึ้นมาได้จากนั้นมาก็คืนที่สองที่สานั่งเอกขึ้นมาคืนที่3ที่สนั่งเอกท่านว่าน่ยจนก้นแตกท่านที่ท่านว่าเนี่ยหลงตาเนี่ยท่านเอาจริงๆเนี่ยกำบางเท่าหน้าร้อนว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยรู้สึกว่าจิตลงยากเพราะมันอากาศอากาศเนี่ยมีส่วนเหมือนกันนะอากาศวันไหนอากาศเย็นๆสบาย ยิ่งวันได้ฝนตกพรำพรำฝนตกลินเนี่ยพรำพรำโอ้วันนั้นนั่งภาวนาดีมากท่านจิตสงบรวมได้เร็วแต่วันไหนนั่งภาวนาจิตไม่สงบวันนั้นคืนนั้นจะเพลียท่านพอนั่งภาวนาไปแล้วมันสงบมันสงบแล้วกระถอนขึ้นมาแล้วก็เอาสงบอีกคําว่าสงบคํานี้เป็นถึงขั้นอัปปนาสมาธินะกายกับใจนี่ไม่รู้กันว่าท่านนั่งอยู่ที่ไหน ไม่รับรู้ทางกายเลยเพราะงั้นนะมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออันนั้นคือท่านจึงบอกว่าเอาพอนั่งสมาธภาวนาขนาดนั้นแล้วท่านบอกว่ า, เ, าเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราวะาคล้ายๆว่าความเจ็บปวดเเข้ามาถึงใจของท่านนี่แหละท่านบอกว่าเนะี่ยการภาวนาเนี่ยแยกกายออกจากเวทนาแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตให้เป็นคนละอันกัน นี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการการภาวนาของหลวงตานะวันนั้นขอให้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกคนเนอะเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะอย่างองค์หลวงตาเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านนั่งภาวนาเห็นไหมเวทนาท่านแก่กล้าขนาดนั้นท่านไม่เคยร้องเคยอุ่ยเคยขวนคางเลยน ะ, ะการเจ็บปวดของท่านเอ่ารอดสุดๆเลย เออคล้ายๆวาเวลาท่านเจ็บปวดนะคนท่านคงจะแยกอย่างที่ว่านแยกใจออกจากเวทนาเออคือการเจ็บปวดคือไม่รับรู้เออเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแปลว่ารถมันพังคนก็ออกมายืนอยู่ข้างนอกดูรถตัวเองเออมันจะเป็นยังไงไฟจะไหม้รถไฟไหม้รถกับเรื่องไฟไหม้รถเราไม่ได้ไหม้คนเออลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้แหละคือทำที่ท่าน องลงตาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนคณะสิทธิญาติสิทธิเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเนละิฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราทุกท่านนะก่อนรับก่อนนอนก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอพุโทโธพุทโธจิตรวมสงบลงไปแล้วนะเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเวลาปวดเราก็รู้ว่านี่คือกายมันปวด เหมือนกับคนตายอย่างนั้น เ, เวลาคนตายเห็นไหมเอามีดสับขวานฟันมันก็ไม่ปวดพอเลยมันตายเพราะใจมันออกจากร่างนี่เราทดลองเลยสิเมื่อเรายังไม่ตายเนี่ยเอาใจออกจากร่างดูสิ เ, เราไม่ไม่รับรู้กับร่างกายจะเป็นยังไงปวดแตสักพ่อปวดมันไม่ทุกใจถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธิได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราการภาวนาเนี่ยมีคุณค่ามากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุรนทุรายเพราะเราจะดูเวท น, าเ ว, น า, วาเวทนาศตวเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเแต่ไม่ใช่ของง่ายๆนะพูดมันง่ายนะแต่ว่าจะทําจุดนั้นไม่ใช่ของง่ายใ น, น่วันนี้หลวงพ่อได้กล่าวแนวทางปฏิปทาองคหลวงตาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราคณะสัตยาธิ ย, ยมทุกหมู่เหล่าการเป็นอยู่ของพระป่าพระกรรมฐานนู่นลุงตามนามาประพฤติปฏิบัติพาลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติมานั้นเป็นอย่างไรหลวงพ่อนํามาเพียงเกรดนิดหน่อยครับมีต่อไปภายภาคหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะนําให้พี่น้องสัตยาติ ย, ยมลูกหลานได้ฟังอีกถ้าอยากจะฟังนะถ้าไม่อยากจะฟังก็เออเอาก็ไม่ว่ากันเพราะหลวงตาท่านก็มีปฏิปทา จดนามบนใบบัวอยู่แล้วนะแต่นี้หลวงพ่อพูดเป็ด เ, เล็กเกตน้อยการเป็นอยูอ่วัดป่าบ้านตาสมัยหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตากูบาอาจารย์อยู่กับองค์หลวงต า, าในยุคสมัยนั้นหลวงพ่อได้ออกจากวัดป่าบ้านตาไปอยู่ที่หน้าคําน้อยปี 2,525 25, ปีนั้นพระมากที่สุด25องค์ปีนั้น25องค์สมัยนั้ น, นเนีหลวงพ่อนกปน หลวงพ่อวันชัยนี่แหละท่านเฉลิมท่านชิดนี่แหละปุ่นน้องๆของหลวงพ่อที่หลวงพ่อออกไปหลวงพ่อออกไปก็เห็นว่าหมู่พวกเพื่อนพระในวัดหลวงตามากแล้วถึง25องค์ปีปนันปี2525น้าอ่าน้ำใหม่ไหลเข้าน้ําเก่าต้องไหลหออกหลวงพ่อวางนะนะหลวงพ่อยังได้ขยับขยายออกไปอยู่ทางโน้นการพูดและการกล่าว ให้แก่คณะทาาศไทยญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตตันตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาของพวกเราที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขอให้บุญบา ร, รมีของหลวงตาคุ้มครองขอให้พวกเรามีแต่ความสุ ข, ขความสบายใจ